ตอนที่ส9มสิกพิกผันในพริบตาจะไม่ให้ผมร้อนใจได้ยังไงผมมองอะไรไม่เห็นเลยแม่บอกมาสิว่าต่อไปผมจะไม่ตาบอดใช่ไหมไม่หรอกไม่ว่าต้องใช้วิธีไหนพ่อกับแม่จะรักษาตาของลูกให้หายขาดให้ได้งั้นพวกแม่ก็รีหาวิธีรักษาให้ผมเดี๋ยวนี้เลยผมกลัวน้ำเสียงของหวังจืง้อคังเริ่มสั่นเครือจนเหมือนจะร้องให้ตั้งแต่เมื่อคืนเขาก็รู้สึกว่าดวงตาไม่สบายอย่างมากหลีหวานใช้ไอของผีสิงอะไรกันแน่ ไม่ต้องกลัวต่อให้วันหน้าจะบอดจริงๆพ่อกับแม่ก็จะเป็นดวงตาให้ลูกเองผมไม่เอาผมต้องการดวงตาของตัวเองแม่รีไปบอกให้พ่อไปเชิญหมอมาให้ผมเดี๋ยวนี้ขณะที่หวังจือ้อคังกาลังอลว่าจังช่วยหลิงก็ได้แต่ฝืนทนปลอบโยนเขาอย่างใจเย็นในใจของนางเองก็นึกสงสัยลูกชายพูดถูกแล้วดวงใจสาคัญในตอนนี้ไม่ใช่การรีบรกษาตาให้เด็กหรอกหรือ ดวงตายยิ่งฟื้นฟูเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหากปล่อยเวลาล่วงเลยไปนานเกินไปเกิดพลาดช่วงเวลาการรักษาที่ดีที่สุดจะทําอย่างไรวังกวเกัวเฉียงพาคนสิบกว่าคนตรงไปหาผู้บัญชาการทหารประจำเขตทหารเพื่อขอความเป็นธรรมผู้บัญชาการทหารไม่คาดคิดว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างเด็กๆจะลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นเรื่องรุนแรงขนาดนี้เขาจัดแจงให้ทหารคนสนิทไปตามเจ้งางวินชงมาลีชิงถิงก็ตามมาด้วย ส่วนเจ้าชุนฮวาและหลีหวันยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้เท่าเจิงผู้บัญชาการทหารให้ทั้งสองฝ่ายอธิบายสถานการณ์ของตนเองก่อนหวังกลัวเฉียงรีบชิงฟ้องก่อนโดยจงใจละเลยพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกชายตนเอง ท่านผู้นำครับประเด็นสำคัญในตอนนี้คือดวงตาของเด็กๆบอดไปแล้วเด็กดีๆต้องกลายเป็นคนพิการแต่รองผู้พันเจิ้งกลับไม่ยอมแม้แต่จะให้คำอธิบายเขาถึงขั้นอ้างว่าเป็นความผิดของเด็กๆฝั่งเราผมเห็นชัดๆว่าเขาอาศัยบารมีของผู้เท่าเจิง้งที่มีอยู่อยากจะพูดอะไรก็พูดได้ตามใจชอบหวังกลัวเฉียงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ยงธรมบารมีอะไรที่นี่คือเขตทหารไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องว่ากันไปตามความยุติธรรมและระเบียบวินยัย ผู้บัญชาการทหารใบหน้ามืดครึมเขาไม่พอใจคำพูดของหวังกัวเฉียงอย่างมากราวกับว่าเขาบริหารจัดการไม่เข้มงวดอย่างนั้นแหละหวังกัวเฉียงรีบกล่าวแก้พระพวกเราทุกคนก็หวังให้เป็นเช่นนั้นเจ้าพูดมาผู้บัญชาการทหารให้เจิ้งอวินฉงพูดต่อเขายืนเท้าเซลคิ้วขมวดมุ่นเรื่องมันเป็นยังไงเจิ้งอวินฉงเล่าเรื่องราวทั้งหมดตามความเป็นจริงให้ท่านผู้นําฟังหลีชิงพิงที่ยืนอยู่ข้างๆตื่นเต้นจนทําตัวไม่ถูกผู้บัญชาการทหารพยักหน้าอย่างใช้ความคิด สรุปก็คือประเด็นสําคัญคือลูกชายของวังกว๋อเฉียงพาคนหลายคนไปหาเรื่องเสี่ยวซิงก่อนใช่ไหมจากนั้นหลี่หวันเห็นเข้าเด็กสาวคนนั้นเลยลงมือช่วยเหลือครับเจ้งอวินฉงกล่าวด้วยเสียงทุ่มต่ําพวกเขาพาคนไปอรารวา่าสที่บ้านผมบีบบังคับให้ผมให้คําอธิบายเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเด็กบ้านผมเลยแล้วผมจะให้คําอธิบายอะไรแถมยังทาให้พ่อของผมโกรธจนต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนี้ยังต้องนอนให้น้ําเกลืออยู่เลยผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความยุติธรรมบนโลกใบนี้เขาตัดสินกันยังไง ทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าตนเองมีเหตุผลฮือฮอผู้บัญชาการทหารหลุดหัวเราะออกมาเองทําให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันมุนงงไปตามๆกันหมายความว่ายังไงคงไม่ใช่ว่าโกรธจนสติหลุดไปแล้วนะเด็กสาวคนนั้นคือลูกสาวที่เจ้าพามาด้วยใช่ไหมผู้บัญชาการทหารเลิกคิ้วถามหลีชิงผิงหลีชิงผิงพยักหน้าตอบข้าท่านผู้นําลูกสาวของฉันไม่ใช่คนชอบหาเรื่องนะคะเธอไม่เคยมีเรื่องชกต่อยกับใครมาตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อคืนนี้เธอไม่ได้ตั้งใจ คนเจ็ดปดคนกลับสู้เด็กสาวคนเดียวไม่ได้หวังกลัวเฉียงเจ้าเด็กนี่ฉันกล้าแบกหน้ามาฟ้องร้องได้ยังไงผู้บัญชาการทหารแค้นหัวร้อยอย่างดูแคลนถ้าข้าเป็นเจ้าน่าข้าคงไม่กล้าโผล่หน้าออกจากบ้านด้วยซ้าข้าจําได้ว่าตอนเจ้าเข้าเป็นทหารสองปีแรกในการประลองฝีมือของเขตทหารเจ้าก็ไม่เคยชนะเจ้างวินฉงเลยตอนนี้ลูกชายยังมาแพ้ลูกสาวเขาอีกพวกเจ้าพ่อลูกนี้ช่างหน้าขายหน้าจริงๆเออเรื่องนี้ทําให้หลีชิงผิงตั้งตัวไม่ติดเล็กน้อยเจ้างวินฉงยืนตัวตรงแนว มุมปากของหวังกัวเฉียงกระตุกอย่างแรงท่านผู้นําครับตอนนี้ประเด็นสําคัญคือประเด็นสําคัญในตอนนี้คือผู้เท่าเจิงถูกพวกเจ้าทําให้ป่วยผู้บัญชาการทหารขัดจังหวะคําพูดของหวังกัวเฉียงทันทีน้ําเสียงพันดังขึ้นหลายระดับท่านผู้เท่าเจิงเคยสร้างความดีความชอบอันใหญ่หลวงให้กับกองทัพและประเทศชาติสุดท้ายกลับถูกพวกเจ้าทําให้เป็นอะไรไปพวกเจ้าจะให้สหายที่อยู่แนวหน้าคิดยังไงฮะผู้บัญชาการทหารยกมือตบโ ต, ต๊เสียงดังปังตะโกนกล้อง หวังเกวเฉียงเจ้าขึ้นมาเป็นรองผู้พันได้ยังไงข้าเห็นว่าในหัวของเจ้ามีแต่ขี้เลื่อยลูกหลานทำผิดไม่รู้จักสั่งสอนให้ดีไม่พอตอนนี้ปัญหาที่ลูกหลานก่อขึ้นเจ้ายังไม่รู้จักสำนึกผิดยังกล้ามาอลาวาดถึงที่นี้เจ้ามันสารเลวหรือคิดว่าแม้แต่ข้าก็สารเลวเหมือนเจ้าด้วยหลีชิงผิงดูเหมือนว่านางจะคิดมากไปเองท่านผู้นำยังคงให้ความยุติธรรมอยู่หวังเกวเฉียงถูกด่าดจนหน้าม่านเขายืนอยู่กับที่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นที่มียศต่ำกว่าหวังกัวเฉียงเลยแม้ในใจจะไม่ยินยอมเพียงใดแต่ก็ไม่มีใครกล้าเ อ, อ่ยปากดวงตาของเด็กๆบาดเจ็บไปแล้วพวกเขาไม่กล้าเอาอนาคตมาเสี่ยงอีกข้าเห็นว่าพวกเจ้าทุกคนต้องได้รับการอบรมใหม่เสียบ้างผู้บัญชาการทหารแค่เสียงเย็นมายืนบื้ออะไรตรงนี้ยังไม่รีบใส่หัวกลับไปอีกเรื่องที่ประติวแค่นี้ยังต้องให้ข้ามาตัดสินความยุติธรรมอีกหรือพวกเจ้าไปจัดการกันเองเป็นการส่วนตัวซะครับเจิงอวินชานรับอีกครั้ง ต่อให้หวังกลัวเฉียงจะรู้สึกไม่ยุติธรรมเพียงใดตอนนี้เขาก็ได้แต่ต้องยอมกล้ากลืนความพ่ายแพ้ไปอีกครั้งช่วยไม่ได้เขาประเมินสถานะของเจ้งางวินชงในใจของท่านผู้นำต่ำเกินไปหากจัดการเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีคนกลางเรื่องนี้ก็คงจัดการให้จบลงได้ยากมีคนเสนอว่าควรแจ้งตำรวจวังกลัวเฉียงไม่ได้ห้ามตอนนี้มันเหมือนกับการคว้าฟางเส้นสุดท้ายเพื่อเอาตัวรอด หากแจ้งความให้ตำรวจจัดการทางสถานีตำรวจก็จะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบถามข้อมูลพร้อมกันความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าต้องมีการถอยคนละก้าเรื่องถึงจะจบลงได้หากไม่มีฝ่ายใดเต็มใจถอยก็ได้แต่ต้องคุมเชิงกันอยู่อย่างนั้นเรื่องนี้กลายเป็นที่โจทจันไปทั่วเขตทหารมีคนพูดถึงกันไปต่างๆนานาหลังจากพูดเท่าเจิ้งออกจากโรงพยาบาลก็พักฟื้นอยู่ที่บ้าน ในช่วงค่ำผู้บัญชาการทหารอาศัยความมืดมาเยี่ยมเยียนอดีตผู้บังคับบัญชาเก่าของเขาที่บ้านนอกจากนี้เรื่องนี้ควรจะรีดจัดการให้เรียบร้อยโดยเร็วเรื่องวุ่นวายมาจนถึงตอนนี้ยังไม่มีผลสรุปเลยเด็กๆสองาคนนั้นดวงตาบาดเจ็บจริงๆเชิญหมอตาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศมาก็ยังรักษาไม่ได้หากพิจารณาในมุมมองของผู้ปกครองก็น่าร้อนใจจริงๆผู้บัญชาการทหารกล่าวอย่างจริงจัง อวินชงข่าไม่ได้หมายความว่าจะให้เจ้าเสียเปรียบหรือต้องรับผิดชอบนะข้าอยากให้เจ้ารีบทําให้เรื่องนี้สงบลงโดยเราอยากให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเจ้าๆกาลังจะได้เลื่อนตําแหน่งในช่วงหลังฤดูใบไม้ร่วงนี้นะหากผมยอมตกลงชดเชยหรือรับผิดชอบนั่นไม่เท่ากับยอมรับว่าเด็กบ้านผมทําผิดหรอกหรือครับเจ้งอวินชงรู้สึกว่าในเรื่องนี้เขาจะถอยไม่ได้ตอนนี้เขาเองก็ต้องการทวงความเป็นธรรมเช่นกันนี่จะไม่เข้าใจจุดประสงค์ที่หวังกลัวเฉียงทําแบบนี้จริงๆหรือ ผู้บัญชาการทหารย้อนถามทราบครับในรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหลังฤดูใบไม้ร่วง ม, มีเขาอยู่ด้วยแต่ตำแหน่งผู้พันที่ว่างลงกลับมีเพียงตำแหน่งเดียวจุดประสงค์ของหวังเก๋อเฉียงนั้นชัดเจนมากในเมื่อเจ้ารู้แล้วทำไมยังดึงเชิงไม่ยอมจัดการอีก